ด้วยรักบัรดา น, นิทานสีขาวเรื่องพระเจ้ากำลังถ่ายรูปเราอยู่เอริกกับอดัมมีอายุเท่ากันทั้งสองเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันห้องเรียนเดียวกันและยังมีผลการเรียนอยู่ในระดับเดียวกันด้วยแต่สิ่งที่ทั้งสองคนไม่เหมือนกันเลยก็คือลักษณะนิสัยเอริกเป็นเด็กที่มีความร่าเริงชอบยิ้มแยม้มและรักการช่วยเหลือคนอื่นใครๆก็รักเอริกเพราะอยู่กับเขาแล้วสบายใจ อดัมเป็นเด็กนิ่งเงียบไม่ชอบคุยกับเพื่อนและไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเขามักจะแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวและนั่งก้มหน้าก้มตาตลอดเวลาไม่มีใครรู้ว่าอดัมเป็นอะไรเพราะไม่มีใครอยากเข้าไปทำความรู้จักกับเขาเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักและฟ้าผ่าปานจะถล่มทลายห้องเรียนของเอริกเลิกเรียนเป็นห้องสุดท้ายเมื่อออกมาหน้าตึกปรากฏว่า เหลือรถโดยสารรอจอดรับนักเรียนอยู่เพียงคันเดียวถ้าเป็นวันที่ฝนไม่ตกแค่รถคันเดียวก็นับว่าเกินพอเพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เดินกลับบ้านเองแต่วันนี้ฝนตกหนักและฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงปล้งตลอดดังนั้นเด็กๆจึงกลัวมากพวกเขาอยากนั่งรถเพราะไม่กล้าเดินกลับบ้านเร็วเพื่อนอย่ารอช้าเอริกร้องบอกเพื่อนๆของเขาทันทีรีบขึ้นรถกลับบ้านเถอะ เย็นมากแล้วเดี๋ยวฝนตกหนักกว่านี้จะลาบากไม่เพียงเท่านั้นเขายังช่วยจัดที่นั่งให้เพื่อนๆด้วยโดยให้เด็กผู้หญิงเข้าไปข้างในก่อนตามด้วยเด็กผู้ชายในตอนนั้นเองเอริกสังเกตเห็นอดัมเดินเลี่ยงไปอีกทางเอริกมีน้ำใจกับเพื่อนทุกคนแม้แต่อดัมซึ่งไม่มีใครอยากคบหาอดัมเอริกร้องเรียกขึ้น มาขึ้นรถสีอะดมบ้านนายอยู่ไกลกว่าใครเลยไม่ใช่เหรออะดมสะดุ้งเล็กน้อยเขาหลบสายตาเอริกแล้วรีบวิ่งผ่าสายฝนไปโดยลาพังโดยไม่พูดอะไรอย่าไปสนใจคนพันนั้นเลยเอลิกเจ้านั่นมันไม่คบใครหรอกแล้วพวกเราก็ไม่อยากคบกับมันด้วยนายนะ่ะรีบขึ้นมาเร็วสิแต่ที่ว่างสําหรับเอลิกไม่มีแล้ว แม้ว่าจะพยายามนั่งเบียดเสียดเยาะเยียดกันแค่ไหนแต่ก็ต้องมีใครสักคนโผล่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปนอกรถอยู่ดีซึ่งเอริก ค, คิดว่าเป็นการไม่ปลอดภัยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเสียสละที่นั่งในรถแล้วเดินตากฝนกลับบ้านสายฝนยังคงกระหน่ำเทเหมือนฟ้ารั่วเอริกวิ่งฝ่าสายฝนไปตามทางเดินจนกระทั่งถึงทางแยกที่ต้องข้ามถนน เขาก็เห็นอดัมยืนมองอยู่อีกฝั่งหนึ่งคันได้สบสายตากันอดัมก็รีบก้มหน้าเอามือป้องตาทําท่าจะวิ่งไปแต่แล้วโดยไม่ทันระวังเด็กชายถูกร่างยักษ์คนหนึ่งซึ่งวิ่งหนีสายฝนมาเช่นกันชนเข้าแล้วก็ล้มเข้าของในกระเป๋าของนักเรียนของอดัมเทกระจา์ออกมา ก, กลาดเกลื่อนทางเดินชายคนนั้นวิ่งเลยไปโดยไม่หันกลับมามองดูอดัมแม้แต่น้อย ในสถานการณ์เช่นนั้นเอริกรู้ว่าอดัมกำลังลำบากเขาจึงวิ่งข้ามถนนไปช่วยอดัมเก็บของแต่พอไปถึงเอริกก็ต้องตกใจเมื่อเห็นอุปกรณ์การเรียนมากมายกองอยู่ตรงนั้นพวกมันมีมากเกินกว่าจะเป็นของเด็กนักเรียนเพียงคนเดียวอดัมลนลานเก็บของเหล่านั้นด้วยอาการตื่นตระหนกฉันช่วยนะเพื่อนเอริกพูดพลางก้มลงเก็บอย่างลบแท่งหนึ่งแล้วเขาก็ต้องตกใจอีกครั้ง เพราะมันคือยังลบรูปซูเปอร์แมนอย่างดีที่แม่ของเอริกซื้อให้แต่หายไปเมื่อวันก่อนเอริกพลิกดูที่ขอบยางลบชื่อของเขายังเขียนติดอยู่ตรงนั้นนายรู้แล้วอดัมเสียงสัน่นความสั่นนี้เกิดจากความหนาวเพราะสายฝนและความตระหนกในความผิดประคนกันแต่เอริกกับยิ้มิองอ่อนโยนแล้วช่วยเก็บของต่อโดยไม่พูดอะไร จากนั้นจึงพาอดัมวิ่งไปหลบฝนใต้าชายคาร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งปิดกิจการไปแล้วเงียบเกินครู่หนึ่งอดัมจึงยื่นยางลบคืนแกเอริกพร้อมกับพูดตะกุบตะกากว่าอบฉันฉันฉันอยากได้แบบนี้มานานแล้วแต่ที่บ้านไม่มีเงินมากพอวันนั้นนายทํามล่นที่พื้นฉันเห็นแต่ไม่ได้คืนให้เอริกมองหน้าอดัมอดัมก้มหน้า เอริกก็ยังเห็นแก้มที่แดงแสบเพราะความละอายใจของอดัมเขาผักยางลบแท้งนั้นคืนแก่อดัมพูดว่าของคนอื่นที่เอามานายควรเอาไปคืนเจ้าของแต่ของฉันฉันยกให้ถ้ามันจะทําให้เราเป็นเพื่อนกันได้อดัมเงยหน้าขึ้นมองเอริกทันทีคําว่าเพื่อนทําให้อดัมแปลกใจไม่เคยมีใครอยากเป็นเพื่อนกับฉันหรอก เสียงของอดัมขาดห่วงนั่นเป็นพ่อนายไม่คิดจะเป็นเพื่อนกับใครต่างหากล่ะมันอยู่ที่ตัวเราเอริกพูดไลยิ้มอย่างใจดีเราเรียนห้องเดียวกันมาตั้งนานแต่ฉันเพิ่งจะเห็นหน้านาย ช, ะ ช, ะชะัดๆก็วันนี้แหละตาของนายสวยมากอดัมก้มหน้าคราวนี้เป็นเพราะความขัดเขินเหมือนแม่น่ะถ้าอย่างนั้นแม่ของนายก็ต้องเป็นคนสวยมากแน่แนเอริกชมด้วยใจจริง อดัมพยักหน้าแอบอมยิ้มภูมิใจสวยแล้วก็ใจดีเหมือนนายขอบใจเอริกยิ้มมองสายฝนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกแล้วถามอดัมต่อว่าทำไมนายต้องก้มหน้าก้มตาตลอดเวลาเลยล่ะทำอย่างนั้นอันตรายมากอย่างเมื่อตกี้ก็โดนคนตัวโ ต, วตวชนเพราะนายเอามือปิดหน้าเลยมองทางไม่ชัดใช่ไหมฉันกลัวกลัวใคร กลัวพระเจ้าฉันกลัวพระเจ้าพระเจ้ามีเมตตานายกลัวพระองค์ทำไมแม่ฉันสอนว่าต้องทําแต่ความดีพระเจ้าถึงจะทรงโปรดฉันกลัวพระเจ้าจะเห็นหน้าโดยเฉพาะวันที่ฝนตกหนักฉันจะกลัวมากกลัวพระองค์จะปล่อยสายฟ้าลงมาผ่าฉันเพื่อเป็นการลงโทษที่ฉันขโมยของเพื่อนเ อ, อริกมองอดัมแม้อดัมจะทาผิดจริง แอยน้อยคําพูดของอดัมก็แสดงให้เห็นว่าเขายังมีสา ม, มัญสํานึกว่าสิ่งที่ทําไปนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเอริกรู้สึกเห็นใจอดัมเขาเชื่อว่าอดัมเองก็เจ็บปวดกับความผิดที่ตนกระทําไม่น้อยอดัมเงยหน้ามองเอริกเห็นรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนระบายทั่วใบหน้านั้นซึ่งรอยยิ้มนี้ทําให้อดัมแปลกใจทุกครั้งที่ได้เห็นขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะไรหรอ ทำไมนายถึงชอบยิ้มนักอ้าวแล้วดีไหมล่ะคนยิ้มอ่ะดูดีกว่าคนหน้าบึ้งหรือเปล่าอดัมพยักหน้าเห็นด้วยแต่นายยิ้มแม้กระทั่งตอนฝนตกหนักแถมยังวิ่งฝ่าสายฝนโดยไม่เอาอะไรปิดหน้าด้วยฉันเห็นนายวิ่งไปยิ้มไปแล้วงงมากจนต้องหยุดดูนายคิดอะไรอยู่ไม่กลัวเปียกเหรอ จะกลัวอะไรล่ะในเม่เลือกทจะต่างฝนก็ต้องเปลี่ยกคนอยู่แล้วอีกอย่างฉันเพิ่งเสียนสละที่นั่งในรถให้เพื่อนทั้งห้องได้กลับบ้านโดยทุกคนฝนไม่เปียกฉันภูมิใจมากที่ได้ทําความดีก็เลยต้องยิ้มให้มากๆถึงฝนตกหนักก็จะไม่ยอมเอะไรปิดหน้าหรอกทำไมล่ะนายรู้ไหมนายคิดถูกที่ว่าพระเจ้ามองพวกเราอยู่ทุกที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรพระองค์ก็ทรงรู้หมดฉันเองก็คิดอย่างนั้น พอได้ทำความดีเฉันก็เลยต้องยิ้มให้กว้างๆเพราะบางทีพระเจ้าอาจจะกำลังถ่ายรูปเราอยู่ก็ได้แล้วนายว่าถ้ารูปของเราอุตสาห์ได้ไปแปะบนบอร์ดของสวรรค์แล้วนายจะอยากให้รูปของตัวเองเป็นรูปที่ยิ้มสวยๆหรือหน้าบูดเหมือนเหม่งขี้หมูล่ะอดัมฟังแล้วหัวเราะลัน่นเขารู้แล้วว่าทำไมเอริกถึงเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆนะเขาอยากเป็นอย่างเอริกที่กล้าเหงืนหน้ามองฟ้า แล้ส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจให้พระเจ้าถ่ายรูปจากบนสวรรค์ความกล้าหาญเกิดขึ้นแล้วในใจของอดัมพรุ่งนี้เขาจะเอาของที่ขโมยมาไปคืนเพื่อ น, อนยอมรับความผิดและก็สัญญาว่าจะไม่ทําอย่างนั้นอีกและส่งรอยยิ้มให้พระเจ้าถ่ายรูปร่วมกับเอริกเธอทั้งหลายพระเจ้ามองเราอยู่จริงพระองค์อาจจะไม่ได้อยู่ไกลถึงสวรรค์แต่อาจจะอยู่ใกล้เพียงแค่ในใจของเรา สังเกตด้วยตัวเองก็ได้นึกย้อนไปในตอนที่เราทําความดีและตอนที่ทําเรื่องแย่ๆเธอคงคิดออกใช่ไหมว่าทุกครั้งที่เราทําความดีเราจะรู้สึกว่าหัวใจของเราพองโตและมีความสุขมากมายขนาดไหนแต่เมื่อไรที่ทําเรื่องไม่ดีหัวใจของเราจะแฟบเปลือนิดเดียวและเราก็ไม่มีความสุขเอาซะเลย <ะ S 2> เด็กที่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านอ่านหนังสือ <laughs> พูดจาไพเราะ มักจะวิ่งเข้าไปกอดพ่อแม่ของเขาแล้วพูดจ้าสากับพ่อแม่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำพ่อแม่เองก็ชอบกอดลูกๆที่เป็นเด็กแบบนี้แต่เด็กขี้เกียจชอบเถียงพูดจามไม่ดีและก้าวร้าวมักจะไม่ค่อยเข้าหาพ่อแม่ของตัวเองเพราะพวกเขาได้รับคําบ่นว่าด่าทอมากกว่าอ้อมกอดที่อบอุ่นเด็กดีกับเด็กไม่ดีล้วนมีพ่อแม่ที่เขารักและรักเขา แต่กลับมีลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเราเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่มีใครไม่รักเราแม้แต่คนไม่ดีก็ยังอยากคบคนดีๆเป็นเพื่อนถ้าเธอเห็นด้วยว่าความรักคือสิ่งที่ดีงามเธอก็จะหามันได้ง่ายๆโดยเริ่มจากความดีงามในตัวเธอเองนั่นหละ